คำว่ารู้จักประมาณเนี่ยนะก็รู้จักประมาณนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างเรียกว่ารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภคถ้าได้สองอย่างนี้ให้รู้จักประมาณถามว่าประมาณในการรับเป็นอย่างไรเมื่อทยกถวายสิ่งของแม่น้อยภิกษุก็รับเพื่อรับแต่น้อยเนี่ยเพื่อเอนดูแก่สกุลเพื่อความรักษาสกุลเพื่ออนุเคราะห์สกุลเมื่อยกถวายสิ่งของแม้มากภิกษุพึงรับพอประมาณกายรับ ปินธบาตพอประมาณทองคือถ้าเขาให้น้อยก็สงเคราะห์เข้ า, ขาอะนะ ก, ก็เอาแต่น้อยอะถ้าเขาให้มากก็แค่พออยู่ได้ก็พอแล้ว่กันคําว่าพิสูรรู้จักประมาณโดยการบริโภคเป็นอย่างไรก็คือพิกษุพิจนารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวอนเนี่ยนะก็ปัจจเจกจีวอนที่นุ่งห่มซะเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสาเสือคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้ความละอายกําเริบเป็นเท่านั้นเป็นกําหนดเนี่ยนะเป็นประมาณก็เพื่อเนี่ยประโยชน์ก็เพื่อปกปิดอวัยวะที่มันน่าละอายนะะถ้าถอดผ้าเดินก็เปรดเดินได้ดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อยากไปกําเริบเสพสางอะไรขนาดนั้นภิสูจพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วจึงชั้นบินธบาตไม่ชั้นไม่ใช่ชั้นเพื่อเล่นไม่ชั้นเพื่อมัวเมาไม่ชั้นเพื่อประดับไม่ชั้นเพื่อตกแตง่ง ฉันเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อความให้กายนี้เป็นไปเพื่อเวน้นความลำบากแห่งกายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจารย์ด้วยมนสิการว่าเราจะบำบัดเวทนาเก่าจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปสะดวกความไม่มีโทษความพาสุขจักมีแกเราดังเนี้เป็นกำหนดเพราะฉะนั้นพิสูจพิจารณาโดยอุบายอันเย็บคายแล้วค่อยเสพเสนาสนะเนี่ยนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อน เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสาเสือคลานเพียงเพื่อบรนเทาอันตรายอันเกิดแต่อุตุแปรปรนเนี่นะเพื่อความยินดีในที่หลีเกเล้นสำหรับภาวนาเป็นที่กําหนดอันพี่เจรณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วจึงใช้ขีฬานัปัจจัยเภสัชบริคารเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดเพราะธาตุกาเริบซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่อความลําบากเป็นอย่างยิ่งเป็นกําหนดเท่านั้น น, นะเพราะฉะนั้น รู้จักปัจเจกปัจจัยสี่ทุกอย่าง น, นะไม่ว่าจะเป็นผ้าอาหารที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคคำว่าภิกษุนั้นพึงรู้จักประมาณคือรู้รู้ทั่วรู้แจ้งรู้แจ้งจเฉพาะแทงตลอดซึ่งประมาณ น, นะทั้งประมาณในการรับทั้งปริมาณในการบริโภคนังที่กล่าวไปคำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษเนี่ยนะ ด้วยจีวอนก็กล่าวคุณแห่งความสันโดดด้วยจีวอนตามมีตามได้ตัวเองก็สันโดดในจีวอนด้วยนะสันเสริมความสันโดดไม่ถึงความสแสวงหาผิดอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวอนไม่ได้จีวอนก็ไม่สะดุง้งและได้จีวอนแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดทุกนะเป็นเครื่องสลัดออกเนี่ยบริโภคอยู่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้สันโดดด้วยจีวอนตามมีตามได้ ก็พิสูดายเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีความรู้สึกตัวมีสติในจีวรสันโดษนั้นพิสูจนนี้เรียกว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในวงของพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงเลิศดอันมีแต่บูราณอันวงของพระอริยะท่านเป็นอย่างนี้ท่านสันโด ด, ด้วยปจัจจัยสี่สันเสริญความสันโดษ ได้ปัจจัยสี่ก็ได้มาโดยถูกทำได้แล้วก็ไม่หมกมุ่นไม่ติดใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจไม่มีมานะไม่ยกตนข่มผู้อื่นปัจจกเวกเป็นอย่างดีนี่แหละเียกว่าปฏิบัติตามวงของพระอริยะอีกประการหนึ่งพิสุษสันโดษด้วยบินทบาดเป็นเครื่องออบินทบาดตามมีตามได้และกล่าวคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยบินทบาทตามมีตามได้ ทั้งไม่ถึงความสแสวงหาผิดอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบินทบาศไม่ได้บินทบาศก็ไม่สะดุง้งและได้บินทบาศก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่ผัวพันเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดทุกบริโภคอยู่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษ ด, ด้วยบินทบาศตามมีตามได้นั้นก็พิสุไดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีความรู้สึกตัวมีสติ ในบินทบาทสันโดษนั้นเรียกว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในวงของพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงเลิศ อ, อันมีแต่มาโบราณการก็จริงๆอนะจีวนก็คือมหาพูดใช่ไหมบินทอาหารบินทบาทก็คือมหาพูดเพราะถ้าอยากเป็นพระอริยสัดออกจากมหาพูดนี้ก็ต้องรู้จักสันโดษในเรื่องมหาพูดเป็นต้นไปก่อนใ ต่อไปอีกประการหนึ่งที่สู่เป็นผู้สันโดดด้วยเศนาสะนะตามมีตามได้และกล่าวคุณแห่งความสันโดดด้วยเศนาสะนะทั้งไม่ถึงความสแสวงหาผิดอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเศนาสะนะไม่ได้เศนาสะนะก็ไม่สะดุ้งได้เศนาสะนะก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกเนี่ยเป็นเครื่องบริโภคอยู่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดด ด้วยเสนาสะนะตามที่มีตามที่ได้นะไม่ใช่สันโดรแล้วก็มานะมากถึงก็ดูหมิ่นผู้อื่นนะั้นไม่ใช่ก็พิสูจใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะในเสนาสะนะสันโดสนั้นเรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในวงของพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงอันเลิศมีแต่โบราณการเป็นวงเก่าว่างั้นเถอะ เพราะว่าพระอริยะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรสารนังกรทีปังกรเมธังกรเนี่ยพระพุทธเจ้าโกนทัญยะมังคลาสุมาณะเรวตานโนมาทศีปิยทัศศีเป็นต้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอ่ะท่านเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยสีเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าที่จากนี้ต่อไปข้างหน้าพระศรีอานเป็นต้นเนี่ยนะพระศรีอริยะเมตตายะหรือพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าข้างหน้าต่อไปพร้อมทั้งพระปเจกับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยท่าน สันโดษด้วยปัจจัยสี่คือสันโดษด้วยจีวอบินธบาทเ ส, สนาสนะแม้กระทั่งด้วยขีลานัปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้กล่าวคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยขีลานัปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ถึงความแสวงหาผิดอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งคีลานัปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้คีลานับเภสัช ปัจจัยเภสัชบริหารก็ไม่สะดุ้งได้คิฬานะปัจจัยเภสัชบริหารก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยคิฬานะปัจจัยเพสัชบริหารนั้นภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะในคิฬานะปัจจัยเภสัชบริหารสันโดษนั้นภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ดํารงอยู่ในวงแห่งพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงอันเลิศมีมาแต่โบราณกาลนะต่อไปคําว่าพิสูจนนั้นเป็นผู้สํารวมในปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยนะก็คือสํารวมคุ้มครองรักษาระวังในจีวณบินธบาสเสนาสนะกีฬานัปัจจัยเภสัชบริการเภสันะนะแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ชื่อว่าพิสูจนนั้นสํารวมในปัจจัยเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งพิสูจนนั้นสํารวมคุ้มครองรักษาระวังอายตนะทั้งหลาย รักษานี่ก็คือไม่ให้บาปไหลผ่านเข้าตามอายตนะต่างๆเพราะนั้นคำว่าเป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในบ้านก็คือเป็นผู้สำรวมระวังระวังเฉพาะคุ้มครองครอบครองรักษาสังวนเที่ยวไปในบ้านคำว่าแม้ถูกด่าก็ไม่ควรกล่าววาจาหยาบถูกเขาด่าก็อย่าพูดหยาบนะก็คือถูกเขาด่าแช่งดูหมินเสียดสีติเตียนค่นว่าเข้าแล้วไม่พึงกล่าว ตอบผู้ที่กล่าวไม่พึงด่าตอบผู้ที่ด่าไม่พึงแช่งตอบผู้ที่แช่งไม่พึงหมายมั่นตอบผู้ที่หมายมั่นด้วยคำหยาบกระด้างไม่ควรทำความทะเลาะไม่ควรทำความหมายมั่นไม่ควรทำความแก่งแย่งไม่ควรทำความวิวาทไม่ควรทำความทุ <t ure <t ure ่มเถียงพึงละบรรเทาทำให้สิ้นายให้ถึงความไม่มีซึ่งความทะเลาะความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นขาด ออกสลัดออกปล่อยเสียไม่เกี่ยวข้องซึ่งความทะเลาะความไม้มั่นความแก่งแย่งความวิวาทและความทุ่มเถียงพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลตอยู่เพราะฉะนั้นสรุปว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการคือได้มาโดยถูกต้องก็พึงรู้ประมาณเพื่อสันโดษภิกษุนั้นสำรวมในปัจจัยนั้นเป็นผู้เที่ยวไปในบ้านแม้ถูกเขาด่าว่าก็ไม่ควรกล่าววาจาหยาบ ก็สัมมาวาจานะสำคัญต่อไปว่าภิกษุพึงเป็นผู้สํารวมจักสุไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้าพึงเป็นผู้ขวนขวายในฌานพึงเป็นผู้ตื่นอยู่มากพึงเป็นผู้ปราลบุเบขามีจิตตั้งมั่นและพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมะที่อยู่แห่งความตรึกและความรำคาญ ตัดอกุศลวิตกที่แม้กระทั่งอากุศลที่อาศัยอยู่ในความวิตกและความลำพังเลยนะคำว่าพิสูจน์เป็นผู้ทอดจากสุเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นผู้ทอดจากสุก็คือผู้ที่ไม่สํารวมจากสุนะก็ต้องถ้าจะรู้จักผู้สํารวมก็ต้องรู้จักผู้ที่ปล่อยจากสุอ่ะนะก็คือพิสูจ์บางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โลเลเพราะจากสุประกอบด้วยความเป็นผู้โลเลเพราะจากสุคิดว่า เราพึงเห็นรูปที่ยังไม่ได้เห็นพึงผ่านเลยรูปที่ได้เห็นแล้วดังนี้จึงเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเที่ยวไปนานซึ่งความเที่ยวไปไม่แน่นอนเพื่อเห็นรูปจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นจากสวนนี้ไปยังสวนโ น, น้นจากบ้านนี้ไปยังบ้านโน้ น, นจากนิคมนี้ไปยังนิคมโ น, น้นจากนครนี้ไปยังนครโน้นจากแว่นแควนี้ไปยังแว่นแควนโนนจากชนบทนี้ไปยัง ชนบทนน่นเน่ยนะจะไปดูไปดูอย่างเนะไม่รู้ไปดูอะไรกันนะักกันนะอีกอย่างหนึ่งพิสูุเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินไปนะเดินแลดูกองพลช้างกองพลมากองพลรบกองพลเดินเท้าดูพวกสตรีบุรุษกุมารกุมารีมมารแลดูร้านตลาดหน้ามุมกเรือนดูข้างบนดูข้างล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่เป็นผู้ทอดจักสุไปอย่างนี้นะไม่สรวมเลยว่างัน้น เห็นแล้วหมดความเลื่อมสายเลยนะหมดไม่เลื่อมสายเลยลนะคุณโชคดีนั่นแหละตอนตอนเราไม่บวชเนี่ยนะเราก็บอกไม่น่าเลื่อมสายไอตอนเราบวชก็ไม่เป็นไ ร, รธรรมดาเหมือนกันเหมั้นนะเพราะฉะนั้นเพกรสูเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วเนี่ยก็ถือโดยนิมิตถือโดยอนุพยัญชนะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศรีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลา ม, มกเขือพิชาและโทมนัสครอบงำ ย่อมไม่รักษาจากขุนศีไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีอันหนึ่งเหมือนอย่างว่าสมณะพราหมจำพวกหนึ่งชั้นโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วขวนขวายในการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแกกุศลเห็นปานี้เช่นว่าการฟ้อนรำขับร้องประคอนดนตรีหรือบางทีไปดูมหรสศพมีการฟ้อนรำการเล่านิยายเพลงปรบคล้องระนาดหนังเพลงขอทาน ในโบราณสมัยนี้ก็ดูทีวีนั่นแหละดูทีวีวิดีโอทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมุ่นอยู่แถวนั้นนะ่ะพันพวกเนี่ยดูการละเล่นต่างๆรายการไม่ว่าจะเป็นชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทับกองทับในเรียกว่าพิสุทอดจักสุไปไม่สำรวมตาเลยอนะ ส่วนภิกษุที่สำรวมก็ตรงกันข้ามเป็นผู้ที่ไม่โลเลในจักสุปเป็นต้นเนี่ยนะมีอินทรีย์สังวรไม่ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจันทร์คำว่าต่อไปภิกษุเป็นผู้โลเลเพราะเท้าเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยเนี่ยเป็นผู้โลเลเพราะเท้าก็ประกอบเป็นประกอบด้วยความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าคือประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปนานเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามนี้สู่อารามโน้นขอไปเรื่อย หรือว่าเป็นผู้โลเลเพราะเท้าเพราะประกอบด้วยความโลเลเพราะเท้าแม้กระทั่งจากสังขารามหนึ่งสู่สังขารามหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่เดินไปเพราะเหตุแห่งประโยชน์ไม่ใช่เดินไปเพราะเหตุแห่งการกระทำคือไม่ได้ไปเพื่อเจริญการมาฐานอะไรเป็นผู้ฟุง้งซ่านเนี่ยนะไม่สงบจากบริเวณนี้ไปบริเวณโ น, น้นจากวัดนี้ไปวัดโ น, น้นเป็นต้นนี่เรียกว่าผู้โลเลเท้า ส่วนผู้ไม่โลเลเท้าก็คือภิกษุน์นั้นพึงละบรรเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีให้ถึงซึ่งความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าคือพึงเป็นผู้งดเวน้นเว้นขาดออกสละพ้นไปไม่เกี่ยวข้องซึ่งความเป็นผู้โลเลเพราะเท้าคือพึงเป็นผู้ปราศจากแดนกิเลสอยู่พึงเป็นผู้ชอบในความสงัดยินดีในความสงัดขวนขวายในความสงบจิตณ์ภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนการอยู่ในเรือนเปล่าเป็นผู้มีฌานยินดีในฌานควนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้หนักในประโยชน์ของตนหนักในประโยชน์ของตนก็คือเป็นมุ่งปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเนี่ยนะอรหัตผลถือว่าเป็นประโยชน์ของตนคําว่าพึงเป็นผู้ขวนขวายฌานเนี่ยนะขวนขวายฌานก็ด้วยเหตุสองคือเป็นผู้ประกอบประกอบทั่วประกอบด้วยเอื้อเฟื้อมาประกอบด้วยดี เพื่อความเกิดขึ้นแห่งบัตมมฌานที่ยังไม่เกิดเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌ า, าน ต, ตัติยฌานจตุทชฌานที่ยังไม่เกิดนี่ก็เรียกว่าขวนขวายในฌานเนี่ยนะเพื่อให้ฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น